สุดทั้งหลายฟังนะคือเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์สมัยที่ก่อนจะตัดตรู้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าทรงทร ง, ทรงตัดหมายเอาในลักษณะอย่างนี้นตรงนี้ย้อนดูคําว่าพุทธจักสูอีกนิดนึงนะคาว่าพุทธจักสูเนี่ยในสมัญต์ตาภาษาทิกาท่านแยกเขาไว้อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเราได้ยินคําว่าพุทธจักขูเนี่ย เป็นชื่อของพยานสองอย่างนะคืออินเทียปโรปริยัติยานอินเทียปโรปริยัติยานก็คือปัญญาอย่างรู้ความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคําว่าอินเทียปโรปริยัติยานเนี่ยติยานเนี่ยนีคือรู้ว่าเออสัตว์พวนี้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิอินทรีย์มากสัตว์นี้มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาอ่อนเนี่ยนียนยมีมากมีน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าอินเทียปโรปริยัติยาน ส่วนอีกยานพยานหนึ่งเรียกว่าอาสยานุสยายานยานที่รู้อัธยาศัยและอุปนิศัยของสัตว์ทั้งหลายรู้อัธยาศัยรู้อนุสัยอ่ะและรู้อัธยาศัยรู้อนุศัยกับรู้อัธยาศัยอย่างสัตว์เหล่านี้มีโลพัทธยาศัยไงเนี่ยมาก้วยโลภะหรืออโลพัทธยาศัยไม่โลภอย่างเี้ยเป็นต้นเนี่ย ถ้ารู้นุสัยก็รู้ว่าเนี่ยสัตว์เหล่านี้ยังมีกามราคาหนูใสมีทิฏฐานุนูใสมีปฏิคานุสัยอย่างเงี้ยก็จะรู้นุสัยของสัตว์อย่างเรามองหน้ากันไม่รู้นี่เขาเรียกไม่มีอาสยานุษยะอย่างแต่พระพุทธเจ้านี่ดูรู้เลยว่าสัตว์หล่ะจะไปโกหกพระพุทธเจ้าไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมแต่เงีนน้ยเหมือนในกบยูบอมาสูรเคยฟังไปแล้วว่าที่นาง เวเทหิกาหญิงแก้วเรือนเนี่ยกับนางกาลีคนใช้เขาลือกันทั่วกรุงราชครือนะว่านาง We เวเทหิกานี่เป็นคนสงบสงี่ยมเจียมตนเรียบร้อยเป็นแม่บ้านเนี่ยเนคือมีชื่อเสียงมากเลยคนใช้อยู่ด้วยก็บ่นนึกในใจว่าเอ๊ะนายของเราเนี่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบสงี่ยมเป็นคนไม่กรอดจริงหรือว่า ถ้ากระไรเดี๋ยวเราจะทดลองดูเจอ๋ยวเจอเจอคนใช้ ย, ยุ่งเลยวิธีทดลองทำไงรู้ไหมนอนตื่นสาย <c oughs> ในเรื่องเลยคือไม่ทำงานพอนอนตื่นสายกันนั้นจะนายรู้ว่านางเฮ้ยนางกาลีวันนี้ทำไมเองจึงนอนตื่นสายอ๋อ <c oughs> วะไรเนี่ย <c oughs> บอกไม่เป็นไรเจ้าข้านายบอกว่า คิดอยากจะนอนตื่นใจโอ้โหหน้านิ่วคิ้วก็หมดขึ้นมาเลยเสียงนั่นกันนางกาลีก็นึกในใจว่าโอ้นึกว่านายหญิงของเราเป็นคนสงบส ง, งเยี่ยมเจียมตนไม่กโกร ธ, ท, กรธที่ไม่โกรธเพราะเราจัดการงานดีนี่เองเริ่มคิดใช่ไหมเริ่มคิดอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้แล้วที่ไม่โกรธเพราะเหตุที่เราจัดการงานดีนี่เองแกบอกเอ้อยากจะรู้อย่ว่าเอ้นนายหญิงของเราจะโกรธมากขนาดไหว่างน เดี๋ยวจะทดลองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แปลว่าจะทํายิ่งกว่าเดิมอยู่ไหมก็เลยทดลองตื่นสายอีกวันแต่เนี้วันที่สองไม่ใช่แค่หน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วเสียงแผลน้ำผ่านสเสียงออกมาเลยนี่เสียงเลยพูดจะด่าอีกชั่วช้าขึ้นมาจะตัวเสียงเสียงเสียงออกมาไม่ใช่แค่หน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วปากคอสั่นดาออกมาเแกก็นั่งนึกในใจว่า านายหญิงของเราเนี่ยที่ไม่ไม่โกรธเนื่าะเราจัดการงานดีใช่ไหมเอเราอยากจะทดลองแม่แม่านายหญิงของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่ า, าถ้ากอดจะจัดเนยจะแค่ไหนกัน <c oughs> โอ้โหครั้งที่สามในเรื่องเลยครั้งที่สามเนี่ยตื่นสายก็เฮ้ยเป็นอะไรนางกาลีออกไม่เป็นไรเราคิดจากตอนตื่นสายไม่ใช่แค่ดา่าแล้ะดึงกรประตูมาคว้างเลยหัวแตกเลือดอาบนางก็อาศัยเนี่ย อาศัยที่เลือดอาเขาวิ่งไปตามบ้านต่างๆตั้งแต่นั้นมาคนเขาเลยคากันบอกว่านางเวเตงิกาที่ไม่ใช่คนสงบสงเงียมไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่ที่จริงเป็นคนชั่วหลายเลยชื่อเสียงดังเลยในยุคนั้นนะพระพุทธเจ้าอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พระฟังโดยใจความตรงนั้นก็คือบอกว่าบอกดูก่อนมิกซ์ทั้งหลายว่าเราไม่กล่าวว่าพระเนี่ยที่สงบสงเงียมเพราะได้ยีวัเนี่ย พอได้จีวรได้อาหารได้ที่อยู่อาศัยได้เครื่องนุ่งห่มแล้วแล้วก็เลยสงบสงี่ยมเยียมแล้วก็เลยไม่แสดงอาการก่อดออกมานี้พระเจ้าไม่ได้สารเสริญนะแต่ถ้าขัดสนเรื่องนี้ก็ยังสงบสงี่ยมไม่แสดงอาการผุนผันออกมาอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าท่านเจ้าสารเสริญอย่างนี้สารเสริญคนที่สงบสงี่ยมแม้เจอเหตุการณ์ที่วนะที่ยกยกเรื่องนางกาลีท่านท้าต้องนึกถึงสูตรนี้ไว้เนี่ย วันนี้ไปบินแล้งไปวินธบบาลตอนเช้าไม่ค่อยได้อาหารต้องไม่ต้องไม่น้อยใจต้องไม่น้อยใจวันไหนได้เน้นน้อยใจสบายใจเนี่ยกลับมายังบอกลแล้วท่านเร็วถ้าได้อาหารได้น้อยรู้สึกมันเบาถามเบายังไงจ้ะเอ้ามันทําให้เราฉันเล่น้อยแล้วมันสบายใจดีเ mm. ข้าใจใช่ไหมไม่ฉันมากเป็นภาระอึอดอัดลําบากล้างอีก ถ้าได้น้อยดีที่ไหนมันได้ในน้อยล้วก็เราก็ไปหาบินแถวนั้นเข้าใจว่า <c oughs> ได้ในน้อยดีได้มากก็ดีใช่มันเหลือเหลือแล้วเป็นทุกเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะที่นี้ไอ้ตรงนี้ที่กลับไปเล่าตรงนั้นมาประกอบนั้นก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องถ้าหากเข้ามาในคำสอนถ้าบอกว่ามีทุลี มองไม่ค่อยเห็นในใจอะไต้องเล็มตัวเล็กหมดเลยไ อ, อยนี้เของชั่วหนึ่งแจกลําบากเลยเดี๋ยวนี้หายเขาติดสายทุลีคือกิเลสในจักสู่สัตว์เราได้มีกิเลสเช่นราคะโทสะโมห์น้อยนี้ชื่อว่ามีทุลีในจักสูน้อยถ้ามีราคะโทสะ ม, มากก็ชื่อว่ามีทุลีในจักสูมากคําว่าทุลีน้อยทุลีมากเนี่ยเขาดูตรงนี้เขาดูตรงที่ว่ามีราคะมาก มีราคามากหรือมีราคาน้อยถ้าอย่างเรานี่เป็นประเภทไหนประเภททุลีในจักู่น้อยหรือทุลีในจักู่มากมากหรือน้อยมากไม่ใช่ปัญญามากนะอะไรมากราคาโทส ศ, โ, ทศโมฮาใช่อย่างนี้เ็าเรียกว่ามีมากมีมากถ้าอินทรีย์กล้าอ่อนสัตว์เราใดมีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญามากชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้า สัตว์เราใดมีน้อยก็เชื่อว่ามีอินทรีย์อ่อนดังที่ได้กล่าวแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุดทรงปริวิตรกดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยพระองค์ทรงตรวจสอบเลยตรวจดูในหมื่นโลกธาตุนะตรวจดูในหมื่นโลกธาตุดังที่แล้ ว, ลวก็จําแนกเหล่าสัตว์ออกมาเป็นผ้าะ้าพ้าผพ้ า, าแยกแยะเป็นจริตต่างๆแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ดํำลีในการแสดงธรรมดํารีในการแสดงธรรม ย้อนกลับไปดูตรงนี้อีกหน่อยนะไปดูการระลึกถึงธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายขงเราดำดิว่าเราจะแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใครหนออันนี้เริ่มดำดิแล้วใครจกรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยเร็วเราจึงคิดถึงอาราลดาบทการามาโครนี้แล้วว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเนี่ยนึกถึงคนที่ตนเองเคยไปอยู่แล้วเนี่ เพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกิเลสทุรีในดวงตาน้อยมานานโอโ้น่าเสียดายจริงเนอะบอกมีกิเลสคือทุรีในดวงตาน้อยแล้วมานานแล้วท่านบวเนี้คือได้มีฌานสมาบัติเน่ากะไรพึงแสดงธรรมครั้งแรกแกเธอเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นได้เร็วพอดำริอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเทวดาวง์หนึ่งก็เข้ามาหาเราแล้วบอกว่า พระองค์ผู้เจริญอาลาละดาบทกาลามโคตรมรณภาพไปแล้วได้เจ็ดวันเดีวดาบอกแล้วแค่คิดปุ๊บอย่างเงี้ยนะคนมีบุญเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยคิดไปทางไหนไม่ค่อยมีใครบอกเนะียคิดบางทีผิดบ้างถูกบ้างอย่างเงี้ยไม่มีคนบอกมีเพื่อแต่คนมีบุญเป็นเงียอันหนึ่งเรานั้นเกิดญาณทัศนะรู้เห็นว่าอาลาละดาบทกาลามโคตเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้วเนาะ ถ้ากะไรพึงได้สดับันธรรมนี้ใช้ก็จะพึงรู้ได้ทั่วถึงได้อย่างรวดเร็วเราจึงคิดว่าเราจะแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใครโน้ใครจกรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยเร็วเราจึงคิดว่าอุทธกาตาบทลามาบรนี้แหลเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกุเลตมีกิเลสทุเรีในดวงตาน้อยมานานถ้ากะไรเราพึงแสดงธรรมครั้งแรกแก่เธอคิดไปหาอุทธกาตาบทาอีกแล้วนะอุทกอุทโลกในแบลวน้ำ อุทกในเว่าอุทกาในแปลว่ามเทวดาองค์หนึ่งก็เข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าพระองค์ผู้เจริญอุทกาดดาบทรามบุตรได้มรณภาพไปแล้วในเย็นวานนี้ถ้ายังเรารู้ว่าคนจ ะ, จ ะ, จะไปตรงนั้นจะตายจะไปตรงนี้ก็ตายก็อุทสลดใจสลดใจเนี่ย <c oughs> อันหนึ่งเรานั้นก็เกิดญ า, นน า, าณทัศนะว่าอุทกาตดาบทคามมบุตรเนี่ยได้บรณภาพไปเสร็จแล้วในเย็นวา น, นี้เราจึงคิดว่าอุทกาตดาวบทคามบุตรเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสร็จแล้วตรงนี้มาจากคําว่ามหาชนิโยนะมหาชนิโยแปลว่าเสื่อมใหญ่มหามหาชนิโยเนี่ยแปลว่าเสื่อมเสื่อมใหญ่แล้วทีนี้ ประการต่อมาพระองค์ก็พิจารณาเราจึงคิดจักแสดงทำแก่ใครดีหนอนะใครจะรู้ทั่วถึงทำได้อย่างเร็วเราก็คิดถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ได้อุปถากเราผู้กําลังบําเพ็ญเพียรอยู่ตรงนี้ปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนมิฆาญยวันเรียกได้สองชื่อนะปายิสีปัตตานะมิฆาญยวันกับมะลึกข้ว่าเป็นไทยก็ว่าเป็นมะลึกข้ ภาษาบรลีกันนเป็นมิฆาทาวยวันเราจึงคิดว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปถากเราในะกําลังบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นผู้มีอุปการะเกตเรามากถ้ากรลไรเราพึงแสดงธรรมแก่เธอครั้งแรกแก่เธอเราคิดอย่างนี้บัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอคิดแล้วเราได้รู้ว่าปัญจวัคคีย์ผู้อยู่ที่ป่ายสิปัตนะมลุคทายวันกรุงพาลาณสี ด้วยที่ประจกักษสู่ที่บริสุทธิ์ร่วงจักสู่มนุษย์รั้นเรารู้ที่ตำบลอุลุเวลาพอสมควรแล้วจึงได้ออกจาลิกไปพรานาสีลักษณะที่พระองค์พิจารณาอย่างนี้<ม>โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทุกๆพระองค์เนี่ยนะพอตัดสรู้เสร็จแล้วเนี่ยจะหอระยะทางเนี่ยจะหอกเพราะระยะทางไกลนะจากไอตัดสรู้ไปที่ไปที่ตาบล ที่ตำ บ, บลอูรุลาไ ป, ไปไปสิบปตะนามปเลขาไยวันนั่งรถนานหพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปนีไม่เหาะไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ที่ผ่านมานี่คือพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่เห็นอะไรเห็นอุปการนะัดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาชีวกชื่อว่าอุปการได้พบเราผู้กำลังเดินทางในระหว่างตำบลขยาและต้นมหาโพจึงถามเราว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนัก ชวีวันของท่านบริสุทธิ์ผ่องท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปการถามเราอย่างนี้เราได้ตรัสคาถาตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำทั้งปวงเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงเนื้อรู้ธรรมทั้งปวงไม่ติดข้องในธรรมทั้งปวงละเว้นธรรมทั้งปวงในเป็นไปโดย ละเว้นธรรมทั้งปวงไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาพอรู้ยิ่งด้วยตนเองเราจะพึงแสดงใครเล่าว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เหมือนเราไม่มีผู้ที่เทียบผู้ที่เทียบเทียมเราเสมอเราไม่มีในโลกทั้งเทวโลกความจริงเราเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นเอกเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เย็น ดับกีเรสแล้วเราจะไปราชธานีชาวกาศีเพื่อประกาศธรรมจักโดยหมายจะย่อำอมตะราภีกองธรรมในโลกที่มืดมนเนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสในลักษณะอย่างนี้ปัญหาก็ถามบอกว่าอุปกาเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนี้ตรงนี้บางแห่งก็าบอกอุปกาเชื่อบางแห่งอุปกาไม่เชื่อ<ม>เออให้สังเกตคำสอนตรงนี้ให้ดีนะว่า ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อิสิปัตนะเมฤิกขายาวันนะยโดยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อจะโปรดปัญจวิคาคีเนะีแต่เพื่อโปรดอุปการชีวกเห็นอัธยาศัยของอุปการชีวกที่จะได้ตัดสรุป ไ, ได้บรรลุนาะก็เลยเดินทางไปแล้วมาเจออุปการ ก, ก็เลยกล่าวในลักษณะอย่างนี้อุปการนั้นการสั่นศรีรษะของแขกนี่ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะว่าไม่รู้เขายินดีหรือว่าเขา เขาเชื่อหรือไม่เชื่อบางแห่งเ้เาก็ฮะนี่อุปก า, ป ก, าก็สัส่ะนซะิสานี่ยแขกเป็นยังไงแลบลิ้นอุปการชีวกถามเราว่าเหตุใดท่านจึงปฏิญญาณตนว่าเป็นอาหารหันต์อันดชินะเราจึงกล่าวคาถาตอบว่าผู้ที่ถึงอาสวัไขเช่นเราย่อมย่อมเป็นผู้มีนามว่าชีนะคือผู้ชนะนะ พอเราชนะบาปทั้งปวงทั้งหลายแล้วฉะนั้นเราจึงมีนามวชินาเมื่อเรากล่าวตอบอย่างนี้อุปกะได้กล่าวว่าเป็นเช่นนั้นหรือท่านแล้วก็สั่นศีรษะแล้วก็แยกทางไปมีแค่ตรงนี้นั้นถ้าดูจากคําสอนตรงนี้ในป่าศลาสีสูตรเนี่ยนะจะเห็นว่าด้วยที่พระพุทธเจ้านั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อต่อต่อสัตว์โลกเนะี่ยไม่ทรงไม่ทรงไปด้วยด้วย เด้วยอำนาจแห่งการหาะมาลยะหลังดูก่อนอาวุโสท่านปฏิญญาตนประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะที่สุดโดยประการนั้นแล้วก็ตัดดังที่ได้กล่าวเนี่ยคือในอัตถกถาท่านขยายบอกว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์ของเราไม่มีอาจารย์ที่สอนให้พระองค์บรรลุโล ก, กุตตะธรรมนั้นไม่มีอุปกะเลยสรรันสีสระเนี่ยสันศีสระไปในลักษณะอย่างนี้แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ สเสด็จไปที่อิสิปตนาเมลิกถายาวันณแฝงเมืองพระลาณสีพอสเสด็จเข้าไปทางที่ปัญจวัคคีย์อยู่ปัญจวัคคีย์เห็นว่าพุทธเจ้าสเสด็จมาแต่ไกลก็นัดหมายกันในทีนี้นัดหมายบอกว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆพวกเราอย่าอภิวาสนะว่าไงเนีน่คืออย่าลุกลับอย่าอย่าต้อนรับพระองค์ อย่ารับบาทและจีวรของพระ อ, องค์แต่พึงวางอาสนะไว้หากว่าพระ อ, องค์ปรารถนาจะนั่งก็ประทับนั่งเองนัดหมายกันไว้อย่างดีนะเนี่ยบอกถ้ามาก็อย่าบอกนี่คลายความเพียนเวียนมาเปรกเป็นเป็นคนมากมากแล้วคือไม่เชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าคั้นสเสด็จเข้าไปถึงปัญจวัคคีย์ก็พากันลืมกติกากันเลยเนีย่นี่คือคือคนมีบุญเป็นอย่างนี้ ต่างก็ลุกขึ้นต้อนรับคนหนึ่งก็รับบาดีวอีอคนหนึ่งก็ปูอาสนะอีคนหนึ่งก็จัดน้ํำล้างพระบาทคนหนึ่งก็จัดตังตังเนี่ยไว้สาหรับรองพระบาทอีกคนหนึ่งก็เอากระเบื้องเช็ดเท้าเช็ดพระบาทไปถวายคือต้องมีกระเบื้องเช็ดเนะนะเมื่อล้างแล้วก็ต้องเช็ดเช็ดถูนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคคีย์ทางห้าจัดถวาย ทรงล้างพระบาทพระบัญเจาะคีเรียกพระผู้มีภาคเจ้าโดยโด ย, โดยระบุพระนามระบุว่าไงรู้ไหมพระโคดมและใช้คําว่าอาวุโสอวุโสน่ยแปลว่าผู้มีอายุคําว่าอาวุโสเนี่ยนี่ยถองค์ตรัดห้ามแล้วก็บอกว่าอย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คําว่าอาวุโสบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จากทําที่สุดแห่งทุกได้คือจากรู้แจ้งคุณวิเศษว่าเงนินอันเป็นที่สุดแห่งพรมจา์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการกันด้วยปัญญาอันยิ่งโดยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้พระปัญญวาคีก็ทูลค้านก็บอกว่าอาวุโสโคโดมเรียกอย่างนี้เลยนะบอกอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิบัตานั้นแม้ด้วยทุกกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมา อ, อนุตตรอุตรีมนุสธรรมอุตรีมนุสธรรมคือธรรมที่ยิ่งเนะีก็บอกว่าแม้ด้วยจริยาคือข้อวัดอย่างนั้นเนะี่ย แม้ด้วยปฏิบัติคือข้อปฏิบัติแม้ด้วยทุกขกรรมย์แม้นท่านทรมานร่างกายมาตั้งหปีอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมรู้จะําว่าอุตตริมนุสธรรมไหมถ้ามนุสธรรมเนี่ยทำของมนุษย์ก็คือศีลหกุศลกรรมบุตรสิบใช่ไหมนี่เขาเรียกมนุสธรรมทำของมนุษย์ถ้าอุตริมนุสธรรมทำที่ยิ่งกว่าศีลห้ารำที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทตรส ก็คือฌานมรรคผลอภิญญาคือปัญญวคียบอกไม่เชื่อว่าอุตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้รู้เห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มรรคมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเลไหนถึงจักบรรลุอุตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้ชั้นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เรา เมื่อพระปัญจวัคคีย์ทูลค้านอย่างนี้พระพระพุทธเจ้าได้ตรัสคําเดิมอีกสองครั้งว่าเราได้จัตตลูเนี่ยเนีพระปัญจวัคคีย์ก็คัดค้านทั้งสองครั้งอันนี้ปแปลว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อเมื่อพระปัญจวัคคีย์ทูลเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้ ให้ทวนคําพูดเลยว่าอยู่มาหกปีกับเราเนี่ยเราได้พูดคํานี้ไหมในทํานององนินทร์พระปัญจวัคคีทูลว่าคํานี้ไม่เคยได้ฟังเลยวะพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแตถาคตเป็นผ้าละหันตัตรูเองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมาตะธรรมแล้วจักสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอเมื่อพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าเท่าไรนัก อยากทำให้แจ้งซึ่งคุณนั้นยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุรระบทุทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถให้ปัญญวคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นปัญญวคีได้ยอมเชื่อฟังแล้วก็เงียบโ ส, สดับตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งและต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักกับพระวจนะสูตรไปตามลำดับที่เราเคยได้ฟังกันนี่ในลักษณะอย่างนี้ อันนี้คือไปสอดคล้องกับในธรรมจักรคถาที่ได้เคยศึกษาเราเรียนนี่ไปตรงนี้ก็คือถ้าเราไปที่ปายสิที่พารานาศีเนี่ยสถานที่พบปัญญวาคีนั่นที่หนึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าเจ้าคันทีสถูปใช่ไหมประมาณแปดสิบเมตรประมาณนั้ น, นจากเจ้าคันทีสถูปไปเทามเอกสถูบที่ตรงนั้นจริงจรง ยังหาหลักฐานไม่พบหรอกว่าตรงไหนกันแน่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพวตนัสูตรก็เลยเป็นสันนิฐานกันว่าสถูปธรรมเมกะที่ตรงนั้นนั่นแหละก็เลยจัดกัน ท, ที่ที่ตรงนั้นว่าเป็นที่แสดงธรรมโปรดโปรดปัญจวัคคีทั้ง5ฉะนั้นตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระวตนัสสูตร โดยใจความของธรรมจักรกับปวัตินสูตรก็คือพูดถึงคําว่าธรรมจักรกะนี่ก็แปลว่าจักกะแต่นั้นเป็นวงล้อเนี่ยธรรมะก็คือพระธรรมนั่นเองธรรมจักรกะก็คือหมายความว่าทั้งวงลอ้อวงล้อแห่งธรรมะถ้าการศึกษาตรงนี้ต้องไปศึกษาว่าระหว่างวงล้อแห่งอํานาจกับวงล้อแห่งธรรมพุทธจักรกับอนาจักรถ้าหากว่าพุทธจักรเนี่ย เขาเรียกว่าวงล้อแห่งธรรมธรรมจักรม า, า เ, เหมือนกันแต่ถ้าอาณาจากักรนี่เขาเรียกวงล้อแห่งอำนาจใช่ในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอาณาจักรก็กาลังกำลังที่ขวนขวายในการที่จะจะจะปกครองกันโดยการที่ว่าใช้อำนาจในการปกครองกันกว่ากันไปนั้นพระพุทธเจ้าแสดงที่สุดสองอย่างบรรพชิตที่ไม่ควรเสพนะการประกอบตนในัวพันกากามสุ เป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นต้นดังที่เราได้เคยได้ฟังกันมาในธรรมจักกับพระวัฒนสูตรพุทธวิธีในการแสดงธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมณถินได้เกิดขึ้นแก่ท่านอัญญากรทัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็เลยเป็นอันว่า ปัญจะว่าไอ้โกนธัญญาก็เลยได้ดวงตาหินธรรมจริงนี่น้ำทิดว่าอัญญาสิวัตโพโกนดันอยูก็แปลว่าท่านโกนธัญญาได้รู้แล้วความหมายของท่านท่านโกนธัญญาได้รู้ลแล้วแล้วันนี้หมดเวลาอารมณ์ภาวนาเนี่ย โมโหวัชชะอกุสลํัมโมโหกุสลํัปาณาติปาโตโควัชชะอกุสลํ ปานอาทิตย์พาตาเวรมนีคุศลอดินนาดานมขโขบเชื้อุล अदिन ना दा ना व े र म न ् क ु स ल म कामे सुमिच्छा चारों खो व च ् छ अकुसलम कामेसु म ि च ् छ ा च ा र ा व े र म न े कुसलम मुसावादो खो व च ् छ अकुसलम मोसाबा दा वेर म न कुसलम बिसुना वाचा ख ो ब च ् छ अ कुसलम ปิสูนาวาจายเวรมันีกุศลธรรารุาวาจาข้บ กุศลธรวาาเวรมานีลสล खो बच्चा अकुसलम संभपलापा व े र म न ी कुसलम अ भ ि छ ा ए खो बच्चा अकुसलम अ न भिक्षा कुसलम व ् य ा प ा दो खोबच्छा क ु स ल म अ व ् य ा प ा दो कुसलम समादिति खोवच्छ अकुसलं समादिति ् म कुसलं इति खोवच्छ द स ध म ् म ा อากุศลดัสดัมกุศล